สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เรากลับมาอยู่ในกฎทองคำา20ข้อชีวิตที่สมานฉัน์และดีงามซึ่งาศาสนาจารย์ดอเตอร์ฟิลิปเทงเป็นผู้เขียนและแปลโดยาศาสนาจารย์สุพิษวิจักโยทินนะครับพี่น้องครับเรามาอยู่ในกฎข้อที่7ซึ่งเรียกว่ากฎแห่งของประธานครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับผมได้ นำเสนอและแบ่งปันให้กับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎแห่งของประธานว่า 1. เราเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่ใช่เจ้าของงานนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับของประธานนะครับของประธานนั้นเราเป็นแค่คนที่ได้รับมอบฉันทะครับไม่ใช่เป็นเจ้าของประการที่2ซึ่งเป็นกฎของของประธานก็คือว่าเราจะต้องใช้ของประธานอย่างสัตย์ซื่อและฉลาด ไว้วางใจได้นั่นคือกฎข้อที่สองครับกฎข้อที่สามก็คือเกี่ยวกับเรื่องของของประทานนั้นการพัฒนาของประทานเราจะต้องพัฒนาให้ได้กำไรให้ได้กำไรเป็นเป้าหมายของของประทานครับต้องเผยแพร่เพิ่มพูนขยับขยายพัฒนาเราเอาของประธานที่เราได้รับจากองค์พระบิดาเจ้านั้นไปฝังดินไม่ได้ ผู้รับมอบของประธานนั้นจะต้องยิ่งใช้ของประธานก็ยิ่งเพิ่มผลมากขึ้นครับในเช้าวันนี้เรามาอยู่ในกฎข้อที่4ของการใช้ของประธานก็คือว่าเราจะต้องเรียนรู้ว่าเป้าหมายของของประธานนั้นมีอะไรบ้างพี่น้องครับเป้าหมายของของประานนั้นมีอย่างน้อย3ประการด้วยกันก็คือ 1. เพื่อพระเจ้าครับ ของประทานแต่ละอย่างที่พระเจ้าได้ให้กับประชากรของโปร่งในคิสจักรของโปร่งนั้นเราจําเป็นที่จะต้องทําให้สําเร็จตามน้ําันไทยของโปร่งเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะเมื่อพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าสําเร็จผลพม่น้มของพระเจ้าก็จะรับการยกย่องครับพอชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งเปโตหนึ่งเปโตบทที 1, ่ 1, 4ข้อที่11ความว่า ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะพูดให้กล่าวเหมือนกล่าวพระภาษิตของพระเจ้าถ้าใครกระทำบริการก็จงให้บริการตามกําลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้เกียรติในการทั้งปวงพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะพูดก็ให้กล่าวเหมือนกล่าวพระภาษิตของพระเจ้าถ้าใครกระทาบริการ ก็จงให้บริการตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในการทั้งปวงพี่น้องครับเป้าหมายของของประทานประการแรกก็คือว่าเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติเพื่อพระเจ้าเพื่อให้สําเร็จตามน้ำพไทยของพระองค์เพื่อให้พระเจ้าพ่อบพระทัยประการที่2ครับเป้าหมายของของประธานเพื่อคริดจักร พระเานาพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมเอฟเฟซัสบทที่4ี่ข้อสิบเครับความว่าของประธานของพระองค์คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระเจนะบางคนเป็นผู้ผเผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิทธิพิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมทำมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นโปรดฟังอีกครั้งครับ ของปรทธานของพระองค์คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระชนะบางคนเป็นผู้เผยแพรนะ่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิทธยพิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมทามิจฉชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นเอฟซัสบทที่สีข้อบเครับชัดเจนมากครับพี่น้องครับของปรทธานมีไว้เพื่อที่จะรับใช้เตรียมทามิจฉน ให้เป็นคนที่จะรับใช้เป็นคนที่สร้างคนอื่นเพื่อที่จะรับใช้เพื่อคริสตจักรของพระเจ้าจะจำเริญขึ้นเพื่อพระกายของพระองค์จะเติบโตและสามารถที่จะส่องสว่างพี่น้องจะเห็นกระบวนการการสร้างสาวกบรากฏอีกแล้วนะครับก็คือการเตรียมทามิจฉจนให้พร้อมที่จะเป็นคนรับใช้เพื่อให้พระกายของพระเยซูคือคริสตจักรจำเริญขึ้น การสร้างสาวกนั้นเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งในการเติบโตของคริสตจักรพี่น้องครับการเติบโตของคริสตจักรนั้นก็อยู่ในพระทยของพระเยซูของเราเพราะว่านั่นคือพระวรากายของพระองค์ครับไม่มีใครที่จะไม่อยากให้คริสตจักรเติบโตผมเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าหลายครั้งทีเดียวสิ่งที่เป็นอุปสรรคของการเติบโตก็คือความยิ่งใหญ่หรือความเติบโตในตัวของมันเอง เพราะเนื่องจากว่าคนเราเข้าใจผิดคิดว่าเราโตแล้วมันพอแล้วเราเข้าสู่คอมฟอร์โซนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราคิดว่ามันโตเพียงพอแล้วแต่พี่น้องครับนั่นไม่ใช่เป็นพระไท่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังต้องเติบโตอีก เราจะต้องเติบโตไปสู่ความภพยบูญของพระเยซูขีสจักรนั้นจะต้องเป็นพระวรกายที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสะท้อนถึงพระสิริและสง่าราศีของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนี่คือน้าพระทัยของพระองค์ประการที่3ครับของประชานก็ถูกใช้เพื่อคนของพระเจ้าเพื่อทุกคนครับโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าครับ1โครินบทที่12บข้อเ็ด การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพี่น้องครับการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธ์นั้นมีความหมายครอบคลุมไปถึงเรื่องการเผยพระเจนะหรือการสำแดงถึงน้มัตไทยของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ที่ช่วยเราทั้งหลายให้เราเข้าใจพระเจนะของพระเจ้าให้พระวจนะของพระเจ้าที่เราอ่านนั้นเกิดความสว่างครับ เขาเรียกว่าการส่งสว่างที่เกิดขึ้นจากการอ่านพระเจนะของพระเจ้าโดยการส่งนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่เท่านั้นครับการสำแดงของพรวิญญาณนั้นก็ครอบคลุมและรวมความไปถึงเรื่องของการใช้ของประทานของพระทานนั้นมีไว้เพื่อพระเจ้าไม่พอครับเพื่อข้าจักก็ยังไม่พอแต่ที่สำคัญคือเพื่อเราเพื่อคนของพระเจ้าเพื่อทุกคนพี่น้องครับการใช้ของประานนั้น จะต้องใช้ของพัรนานให้เหมาะสมและของพัฒนา n ั้นมีเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะเสริมสร้างประกายและเพื่อคนครับเพื่อคนเพื่อทุกคนจะได้รับประโยชน์ร่วมกันนั่นคือที่มาของของพัฒนาและเป้าหมายของการใช้ของพัรฐานทั้ง3าประการครับเราจะมาดูในข้อที่5เราจะในข้อที่5ต่อว่าของพัรนานนั้นมีที่มาอย่างไรพี่น้องครับ การแรกก็คือเราพบในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่12บส1ข้อ11ว่าหนึ่งโครินเบบที่สสองข้อว่าสิ่งสารพัดนี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบรรดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์โปรดฟังอีกครั้งครับสิ่งสารพัดนี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบรรดาลและประทานให้แก่แต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์ที่มาของของประทานก็คือ มาจากพระวิ ญ, ญญาณครับพระวิญญาณเป็นผู้ประทานให้ตามชอบพระทัยของพระองค์นั่นหมายความว่ามันเป็นพระคุณครับมันเป็นความโปรดปรานพระเจ้าจะประทานหรือพระวิญญาณจะประทานให้กับใครก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนนั้นเขาแสวงหาแล้วแต่คนนั้นเขาจะทูลขอแล้วแต่คนนั้นตามชอบพระทัยของพระองค์พี่น้องครับทูลขอบางครั้งก็ไม่ได้ แสวงหาก็อาจจะยังไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้ายัางไม่ให้ท่านอาจจะต้องรอคอยหรือจะต้องมีวาระและโอกาสพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นของประธานพระองค์ประธานให้ตามชอบพระทัยของพระองค์ประการต่อไปครับของประธานนั้นนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทำให้ใหม่เพราะเจ้าเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่1 2ข้อ13 เราทั้งหลายรับบัพติศมาโดยพระวิ ญ, ญญาณและพระวิ ญ, ญญาณองค์เดียวนั้นทราบซ่านอยู่พี่น้องครับคำว่าทราบซ่านอยู่ภาษาอังกฤษและภาษาจีนมีความหมายอย่างเดียวครับคือ we were all made to drink of one spirit we were all made to drink of one spirit แปลว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่ครับทราบซ่านอยู่ดื่มจากพระวิ ญ, ญญาณองค์เดียวกันพี่น้องครับคำว่าดื่มนั้นคือการให้เกิดการฟื้นฟูทําให้เกิด ความสดชื่นหรือ refreshing ของประธานนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นการฟื้นฟูใหม่ก็เกิดจากพระวิญญาณการฟื้นฟูใหม่ทําให้สดชื่นการฟื้นฟูใหม่ทําให้รู้ว่าเรามาจากพระวิญญาณองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าของประธานใดๆก็ตามเมื่อถูกใช้มาสักระยะหนึ่งต้องถูกเสริมให้เข้มแข็งเสริมให้แข็งแรงทําให้รุ่งเรืองขึ้นนั่นแหละครับ เป็นการฟื้นฟูทำให้สดชื่นพี่น้องครับความหมายตรงนี้ทำให้เราเห็นถึงเสื่อมเหมือนไส้ตะเกียงที่ถูกตัดไส้เวลาที่เราจุดตะเกียงหรือจุดเทียนนะครับเราจะต้องตัดไส้ไส้ที่มันถูกเผามาแล้วเมื่อเราตัดไส้สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเทียนหรือตะเกียงนั้นจะสว่างมากขึ้นจะสว่างสวัยมากขึ้นครับเหมือนคนเรา เมืลาทางานไปเรื่อยๆก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยแล้วกระหายน้ำจะต้องดื่มจากพระวิญญาณครับคือดื่มน้าจากลาธารที่ชุ่มฉ่ำทำให้ฟื้นฟูชีวิตจิตใจเหมือนกับการชาร์จแบตครับซึ่งขาดไม่ได้พี่น้องครับเมื่อพูดถึงการชาร์จแบตนะครับเราจะต้องใส่ใจนิดหนึ่งครับเราหลายครั้งหลายครั้งเราใช้สมาร์ทโฟนเราชาร์จแบตก็ต่อเมื่อ มันเกือบจะหมดแล้วแต่พี่น้องครับผู้รู้ได้ให้คำตอบเราให้ความรู้กับเราว่าระวังครับอย่าชาร์จแบตตอนที่มันใกล้หมดเพราะว่าแบตมันจะเสียเร็วครับเช่นเดียวกันครับผมก็เห็นบทเรียนฝ่ายวิญ ญ, ญาณตรงนี้ว่าอย่ารอให้เราติดลบหรือหอ่ออย่ารอให้เราเหลือ0ูนย์ครับเราถึงไปชาร์จแบตเราต้องรู้ว่าอย่างน้อย น, อยนะครับอย่างต่ำครับ 30% เราก็รีบชาร์จได้แล้วครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะต้องใช้ของประทานเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าคือขุสจักรและเพื่อคนอื่นๆในขณะเดีวยวกันครับเราจะต้องรู้ว่าที่มาของของประทานนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับของประทานนั้นเราต้องใช้นะครับและเราสามารถที่จะรับเพิ่มเติมได้รีเฟชเมนต์ได้หรือรีเฟชชิ่งมันได้ทําให้สดชื่นได้พี่น้องครับการเข้าเฝ้าพระเจ้าในแต่ละวัน การไปโบสถ์ในแต่ละอาทิตย์การที่เข้ากลุ่มแขเข้ากลุ่มสามัคคีธรรมอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันจะทำให้เกิด refreshing ได้จะทำให้เราสดชื่นได้ซึ่งพระคัมภีร์ บ, บอกว่าให้ดื่มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะทำให้สดชื่นให้เข้ามาใกล้พระองค์พี่น้องครับในเทศกาลเข้าสูา่ธรรมหรือ Lent นั่นคือเวลาที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราเป็นพิเศษครับ40วัน สี่สิบวันที่เราจะรับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์รับการเข้าสนิทโดยพระวจนะของพระเจ้าที่จะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าสัมผัสกับพระคุณของพระองค์สัมผัสกับของประทานที่พระเจ้าได้ให้เราลื้อฟื้นเชียงต่างกับพระองค์ใหม่โดยพ้อยยิ่งความรักดั้งเดิมที่เราเคยมีกับพระองค์อามน